สารรถไฟสายปราถนาจิตวิญญารวดร้าวราวป่วยไข้ติดตามความฝันอันยาวไกลยิ่งวิ่งไล่ความสุขยิ่งทุกทนโดยสารรถไฟสายวาดหวังผ่านทั้งรักทั้งชังทั้งสับสนยิ่งค้นหาความจริงใจ ในผู้คนยิ่งมืดมนสิ้นหวังระวังระแวงโดยสารรถไฟสายปล่อยวางกลับเบา ว, ว่างสงบสุขในทุกแห่งมากมวลมิตรสนิดใจไม่คลางแคลงโลกแสดงสัจจะว่ากรณี อิสระคนเราเนี่ยมักจะเป็นทุกข์เพราะความหวังเนี่ยแหละถ้าเรามีความหวังแล้วเราก็จะเป็นทุกข์คนที่ไม่เป็นทุกข์นั้นคือคนที่ไม่ต้องมีความหวังอะไรไม่ใช่หมดหวังนะแต่ว่าใจมันไม่หวังแต่ว่ามัน มันเป็นสิ่งที่คัดค้านกับความรู้สึกของเราโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะทำอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องทำด้วยความหวังเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อเราตั้งความหวังเอาไว้แล้วเนี่ยเราต้องแบ่งไว้สักครึ่งหนึ่ง มันอาจจะผิดหวังก็ได้อันที่จริงเนี่ยมันก็ผิดหวังอยู่แล้วในการที่เรากำลังตั้งความหวังเพราะขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยความหวังเกิดจากความคิดแต่สิ่งที่เราหวังนั้นมันรออยู่ข้างล่ามันอาจจะไม่รอก็ได้มันเกิดขึ้นด้วยเป็นวิสัยของโลก อาจจะได้อย่างใจหวังก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้เนี่ยเาเรียกว่าโลกมันอันิจังมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล้าที่จะตั้งความหวังเราก็ควรที่จะกล้าที่จะต้องรับความผิดหวังความหวังเป็นความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความจริงคนที่ไม่อยากจะเป็นทุกข์เนี่ย ก็จะไปหวังอะไรไว้อย่าไปหวังถึงหวังก็อย่าคิดว่าเราจะได้อย่างใจหวังก็แล้วกันเราจะมีความทุกข์น้อยนบางทีจะหัวล่อเยาะตัวเองว่าเออนี่ไงเห็นไหมถ้าเราไม่หวังเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีความทุกข์สิ่งที่อยากจะนาเสนออีกอย่างห น, นึ่งสำหรับวันนี้เนี่ย ให้เรามามีสติให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของชีวิตเราแล้วก็โลกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา <Yeah. S 1> คุณหมอกำพลปัญญนะท่านก็มีความหวังประเภทเดียวอย่างนี้เหมือนกันถ้าก็มีความทุกข์เพราะความหวังเหล่าเนี้เพราะท่านไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงท่านจึงจำเป็นจะต้องปลีกวิเวก เพื่อจะแสวงหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งตัวท่านเองแล้วก็สิ่งรอบตัวเราคือพยายามดึงจิตดึงใจให้รับรู้ตามความเป็นจริงท่านไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสติสร้างตัวรู้เพื่อให้รู้เท่าทันแต่พวกเราท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปไม่เป็นไรเราอยู่ที่นี่นี่เราก็สามารถจะสร้างตัวรู้ได้ สร้างตัวรู้เพื่อรู้เท่าทันในตัวเราง่ายๆเราลองมาทำความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยมันมีสองอยา่างมีสองแบบคือในรูปแบบกับนอกรูปแบบในรูปแบบนี่ก็คือเรามาเจตนาเคลื่อนไหวลองทำดูนะเจตนาเคลื่อนไห ว, วนในส่วนหนึ่งของร่างกายจะเป็นลมหายใจ การกระพริบตาการยกมือเคลื่อนไหวไปมาหรือการเดินจงกรมการก้าวเดินแต่ละก้าวเนี่ยให้รู้สึกตัวอันนี้คือการกระทำในรูปแบบให้ทาให้มากๆให้ตัวรู้ทุก ต, ตัวสตินี่มันจเจริญประเภทหนึ่งคือการทํานอกรูปแบบเพราะชีวิตของเราเนี่ยจะมีเฉพาะ การมาดับตาการมาเจริญสติอยู่กับการนั่งดูลมหายใจไม่เพียงพอเรามีการดาเนินชีวิตไปในการกระทำต่างๆในแต่ละวันแต่ละวันอันนั่นคือการทำนอกรูปแบบการทำนอกรูปแบบนั้นคือการใช้ชีวิตจริงของเราะจะดื่มจะเคี้ยวจะอาบน้ำแต่งตัวทำภารกิจต่างๆ ถ้าเรามีความรู้สึกตัวลงไปในขณะนั้นเนี่ยเท่ากับเราปฏิบัติเจริญสตินอกรูปแบบทันทีเลยและการทำนอกรูปแบบเราสามารถทำได้ทั้งวันตั้งแต่ลืมตาตื่นมาตอนเช้าจนตั้งหลับตาลงในตอนค่ำในวันที่เรานอนการกระทําในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีมีประโยชน์ทั้งสองอย่าง ว่าเราใช้แบบะสมผสานกันให้ได้ตลอดทั้งวันเพื่ออะไรเพื่อสร้างสติเพื่อสร้างตัวรู้ขึ้นไหมมันเด่นอยู่ในจิตในใจเราเมื่อสติมันเด่นแล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นตามที่มันเป็นจริงว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสิ่งภายนอกที่มากระทบเราท้งตาทั้งหูทั้งจมูกท้งลิ้นทางกายทางใจความนึกคิดเนี่ย มันเป็นอย่างไรมันแน่นอนไหมมันเปลี่ยนแปลงไหมมันอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราหรือเปล่าเนี่ยคือการเรียนรู้สิ่งรอบตัวจากตัวเรานี่แหละอันนี้ไม่ใช่ตำร า, าเป็นของจริงไม่ใช่จากการอา่านจากการฟังอย่างเดียวหรือการอ้อนวอนขอร้องไม่ใช่มันเป็นสัทิติโกคือเกิดขึ้น ในจิตในใจของเราสันทิทิโกแปล ว, ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเราไม่ต้องไปเชื่อใครมันเที่ยงไหมกายเราเรานั่งอยู่สบายสบายคิดว่าความสบายมันเที่ยงไหมป้ะเด็นมันก็ปวดก็เมื่อยเห็นหมความไม่เที่ยงของกายเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นทุกขเวทนาเราก็ต้องเปลี่ยนไป ให้เรารู้สึกตั ว, วไว้รู้สึกตัวในความไม่เที่ยงนี่แหละบางทีมาเกิดความคิดขึ้นมาดูซิว่าความคิดเนี่ยมันเที่ยงไหมให้เรามีสติเลือกลุ้ลงไปบางทีมันคิดเรื่องกามราคะคือความกำนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสหรือเรื่องเพศเรื่องกามก็ตามเราเคยคิดไหม ได้วความคิดอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีไหมเห็นไหมมันไม่มีแล้วมันหายไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีแหละไอ้ความคิดประเภทนี้ให้เรารู้ไว้แล้วปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกตัวอยู่ว่าเราคิดอะไรเรามีความโกรธไหมไม่มีความโกรธเห็นไหมแต่เราเคยโกรธไหมเคยแต่ตอนนี้ทําไมไม่มีล่ะ แตดว่าความโกรธนี่มันไม่แน่นอนไม่มีใครอยากโกรธหรอกแต่เราห้ามไม่ได้บางทีมีอารมณ์มากระทบตาหูจมูกเป็นต้นเราไม่พอใจเราก็โกรธแต่มันไม่มีถึงมีแล้วมันก็ดับความโกรธก็ไม่เที่ยงบางทีเราเกิดความซึมเศร้าเหงาหงอยเคยไหมเป็นเรื่องธรรมดานะความซึมเศร้าความเหงาหงอยไม่ช่ำชื่น เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะความคิดนั่นแหละความซึมเศร้าเหงาหงอยจะเกิดขึ้นจากอารมณที่เกิดมาจากอดีตหมกมุ่นอยู่แต่อดีตย้ำคิดอยู่แต่เรื่องเก่าๆเดิมๆเราเคยมีสติเลึกรุ้ลงไปตัวนั้นไหมเรามักจะเข้าไปเป็นผู้ซึมเศร้าผู้ที่เป็นทุกข์ แต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกตัวแล้วเรามีตัวรู้ที่เด่นดวงแล้วสามารถเห็นอารมณ์ความซึมเศร้านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะไม่มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับกายของเราอยู่ความรู้สึกของเราอารมณ์ตัวนั้น มันเป็นเพียงอารมณ์ที่เป็นแขกที่จ้อนเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราเป็นคลั่งคลาวเราจึงเรียกว่าจิตตกเมื่อเราเข้าไปยึดติดที่จริงจิตมันไม่ตกตกอารมณ์เน่มันตกลงไปแต่จิตเราตกตามอารมณ์ตามความรู้สึกซึมเศร้าแต่เดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะเรียกว่าสติสติเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นเครื่องตื่นในโรค ถ้ามันตื่นแล้วก็มันตื่นรู้ไม่จะตื่นตูมถ้าตื่นรู้เนี่ยมันยกจิตให้อยู่เหนืออารมณ์ต่างๆได้อยากเข้าไปเป็นกับอารมณ์เหล่านั้นให้เรามีสติเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูในอารมณ์ต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเราอาจจะไม่มีความซึมเศร้าสลดโศตรแต่เรามากักจะมีความฟุ้งซ่านราคาญอยู่ในจิตใจใช่ไหม เราเคยเป็นไหมไอ้ความฟุ้งซ่านในปัจจุบันเนี่ยเราเคยมีบ้างไหมอย่าไปรังเกียจเขานะเป็นเรื่องธรรมดาของจิตของความคิดแต่ว่ามเป็นความเครียดในจิตใจก็ได้ทุกคนย่อมมีแต่เรามีอาวุธสำคัญที่จะรู้เท่าทันในความฟุ้งซ่านลำคาญใจนะก็คือเจ้าความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่นี่ไง เราเกิดความฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันยังไม่เพียงพอนะสิทธิตามมาก็คือความรําคาญอึดอัดขัดเคืองในใจเราสรุปลงที่ความทุกข์นั่นเองแต่เรามีสติคอยรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นได้อยากเข้าไปเป็นกับความฟุ้งซ่านเจ้าความฟุ้งซ่านนี่มันไม่เที่ยงหรอเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นเรื่องธรรมดา ในภาษาธรรมก็เรียกว่าอนิจจังคือความไม่แน่นอนก็ขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้แหละคือการดูจิตการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ดูตัวเองดูอาการที่เกิดจากจิตที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะชัดเจนบางครั้งเนี่ยใจเราก็เกิดความสงสั ย, เ, ยเจ้าความสงสัยเนี่ยคืออารมณ์ ช่วครูตัวอย่างที่มันผ่านมาสู่จิตใจเราเป็นครั้งคราวผู้ปฏิบัติไมก่กจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมท า, างความดับทุกขเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมวิธีการแบบเนี้การจริตสติเนี่ยมันจะพ้นทุกได้จริงหรือพระอริยเจ้าเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้คือความสงสัย นรกสวรรค์เกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดมันมีจริงหรือเปล่าปุตุชนย่อมมีความสงสัยเป็นธรรมดาให้เรารู้ไว้อันนั้นเป็นแค่อาการของจิตที่มันผ่านมาชั่วคราวเป็นแขกผู้มาเยือนเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนี่คือการดูจิตการดูจิตเนี่ยใครคือผู้ดูคือสติคือเจ้าความรู้สึกตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่เอง เมื่อเราเห็นอาการต่างๆที่เกิดจากจิตแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเห็นตัวจิตเองเราจะรู้ว่าจิตเนี่ยไม่เป็นอะไรจิตเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆเท่านั้นส่วนสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั่นคืออะไรคืออาการจะเป็นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความสงสัยความซึมเศร้าความฟาุ้งซ่าน น, นั่นคืออาการที่ผ่านมาชัวาว่วคราวเท่านั้นและสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เ, เราก็ไม่อยากให้เข้ามาแต่เขาก็ต้องมาอยู่เสมอๆ เ, เพราะเขามีเหตุมีปัจจัยที่เราเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเรานี่แค่ใจเรานะใจเราเนี่ยสามารถดูใจเราได้ ให้เรารู้เท่าทันในส่วนนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าผู้ใดตามดูจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารบ่วงของมารคืออะไรก็คืออารมณ์เหล่าเนี้ความชอบใจความไม่ชอบใจความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านความเครียดความสงสัยอันนี้คือบ่วงของมารให้เรารู้เท่าทันมันภาษิตไทยถึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่มูญาติมิตรให้ระวังวาจาระวังให้ดีคือเจ้าความคิดเหล่านี้ถ้าเรารู้ทันมา น, นานๆเนี่ยเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันตาภายนอกดูได้เฉพาะสิ่งภายนอกเอาไว้ทาหน้าที่เอาไว้สร้างสิ่งที่สร้างสรรให้กับตัวเราแล้วก็โลกแต่ตาภายในคือสติเอาไว้ดับทุกข์ให้กับใจเรา ท่านผู้หวังท้งหลายสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยจะเป็นทางตาทางหูทางใจก็ดีสิ่งเหล่านี้มาให้เรารู้มาให้เราเข้าใจว่าเขาไม่เที่ยงอย่างไรเขาบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรไม่ให้เราเรียนรู้ถ้าเราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆด้วยสติสัมปชัญญะเราจะรู้เท่าทานแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์จะไม่ยึดมั่นถึงมันสิ่งเหล่านั้น ท่านผูฟังที่เคารพักทุกท่านสังเกตดูตัวเราเราเป็นคนดีแล้วหรือยังเราทําหน้าที่ถูกต้องหรือยังเราเก่งไหมเมื่อเราเป็นคนดีแล้วเราเป็นคนเก่งแล้วทําหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนไม่บกพร่องแล้วทําไมเราจึงเป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องต่อสิ่งต่งางๆทั้งปวงที่มากระทบ เราไปสร้างความหวังไว้อย่างมากมายแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความหวังนั้นเพื่อได้อย่างใจเราแต่เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วคือผลเมื่อได้อย่างใจเราเราจึงเป็นทุกข์เป็นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในความหวังการวางจิตวางใจไ ม, ม่ถูกต้องขาดปัญญาแต่ไม่เป็นไรเราลองใช้ชึดแบบเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็ทําหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนแต่ใจเราเนี่ย ไม่ต้องหวังอะไรเลยกลา้าไหมท่านผู้ฟังทำหน้าที่อย่างถูกต้องนั่นคือความสุขความไม่หวังในจิตใจนั้นคือความไม่เป็นทุกข์เอาละครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจงมีความเจริญในธรรมมีปัญญาปราศจากความทุกข์แล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความสุข ทั้งปัจจุบันและในอนาคตด้วยการทุกท่านทุกคนเธอ